เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเงี่ยมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะมีศรัทธาความเชื่อว่าบุญกุศลเป็นสมบัติที่แท้จริงของใจเวลาร่างกายนี้แตกนับไปใจแยกออกจากร่าง สิ่งที่ใจเอาไปได้ก็คือบุญและบาปบุญก็เป็นความสุขความเจริญบาปก็คือความทุกข์และความเสือ่อมใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายแต่พวกเรายังไม่เห็นใจของพวกเราเราเลยไม่รู้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่า หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจของเราไปไหนต่อหรือไม่อย่างไรต้องมีคนอย่างพ่อพุทธเจ้าที่มีดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าธรรมจักสุจะสามารถมองเห็นใจได้เพราะใจไม่ใช่วัตถุเหมือนกับร่างกายไม่ใช่รู ป, ปรธรรม เหมือนร่างกายแต่เป็นนามนธรรมรู ป, ปรธรรมนี้เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อของเราเช่นรูปของบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเป็นหญิงเป็นชายหรือวัตถุเข้าของต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขา รถยนต์บ้านช่องบ้านเรือนต่างๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นรูปประรรมเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อคือตาของร่างกายแต่ใจนี้เป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าที่ตาเนื้อจะมองเห็นได้เหมือนกับคลื่นวิทยุโทรศัพท์มือถือที่ เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อของเราแต่เรารู้ว่ามีคลื่นโทรศัพท์มือถืออยู่เพราะเรามีโทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณของคลื่นวิทยุนี้ได้และสามารถส่งสัญญาณ คลื่นวิทยุนี้ไปสู่เครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นได้เราจึงไม่สงสัยเรื่องของคลื่นวิทยุแต่เรายังสงสัยเรื่องใจเรื่องจิตวิญญาณของพวกเราอยู่ทั้งๆที่เรากำลังใช้จิตวิญญาณของเราใช้ใจของเราอยู่ทุกขณะเวลาที่เราคิดอะไร นั่นแหละคือการทำงานของใจของจิตไม่ใช่เป็นการทำงานของร่างกายในร่างกายนี้ไม่มีความคิดความคิดนี้อยู่ในใจของเราแล้วก็ความคิดนี่แหละที่จะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ได้ถ้าเราคิดดีเราก็จะสร้างบุญขึ้นมา ถ้าเราคิดบาปเราก็จะถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะสร้างบาปขึ้นมาผลของความคิดดีก็คือความสุขใจสบายใจผลของการคิดไม่ดีคิดบาป ก, ก็จะเป็นความทุกข์ความรุ่มร้อนใจขึ้นมา <c oughs> นี่เรียกว่ากรรมนะกรรมคือการกระทำทำที่ใจก่อน ใจเป็นผู้เริ่มการกระทำทางกายและทางวาจาที่จะตามมาต่อไปขั้นต้นก็ต้องคิดต้องทำที่ใจก่อนต้องคิดก่อนเช่นวันนี้คิดว่าจะมาวัดเมื่อคิดแล้วก็พูดชวนคนนั้นคนนี้แล้วก็เตรียมข้าวเตรียมของออกเดินทางมาวัดอย่างนี้ก็เรียกว่ากายกรรมและวจีกรรม วจีกรรมก็คือการกระทำทางวาจาพูดชวนคนนั้นคนนี้ให้มาวัดแล้วก็ออกเดินทางมาด้วยตนเองก็เป็นกายกรรมการกระทำทางกายวจีกรรมก็คือการกระทำทางวาจามนโนกรรมก็คือการกระทำทางใจ <c oughs> เมื่อทำแล้วก็จะมีผลสะสมไว้ในใจ ทั้งในปัจจุบันและในอดีตในปัจจุบันก็จะทำให้ใจมีความสุขมีความสบายใจในอนาคตก็จะพาใจไปสู่สุขติไปเกิดในภพที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าใจคิดไม่ดีคิดทำบาปใจก็จะมีความไม่สบายใจขึ้นมามีความทุกข์ใจขึ้นมา ในปัจจุบันแล้วก็จะสะสมภพชาติที่ไม่ดีในอนาคตต่อไปคือเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกในรกบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้าง <c oughs> นี่เป็นผลที่เกิดจากการคิดไม่ดีคิดทำบาปทำกรรม คิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดอเวณีพูดปดมดเทศเสพสรารยาเมาถ้าคิดแล้วมีการกระทำตามมาบาปก็จะเป็นผลที่จะสะสมอยู่ภายในใจนี่คือเรื่องของใจและสิ่งที่เราจะที่ใจจะเอาติดตัวไปได้คือเอาไป ได้สองอย่างเอาบาปไปเอาบุญไปเอาบาปไปบาปก็จะพาไปสู่อบายเอาบุญไปบุญก็จะพาไปสู่สุขติไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่อไปดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้มากมาก อย่าเสียดายกับสมบัติเท่าของเงินทองที่เราจะต้องใช้กับการทําบุญถ้าเรามีเกินความจําเป็นเกินความต้องการของร่างกายแล้วก็อย่าเก็บเอาไว้อย่าเก็บเงินไว้เป็นล้านเป็นเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเวลาตายไปจะไม่เป็นประโยชน์กับใจ ใจไม่สามารถเอาเงินหมื่นล้านพันล้านไปได้แต่ใจเอาเงินเอาบุญที่เกิดจากการเอาเงินหมื่นล้านพันล้านนี่มาทำบุญได้ถ้าเรามีเงินที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เราก็เอามาทำบุญให้ทางทำบุญกับใครก็เป็นบุญเหมือนกัน ทำบุญกับพระก็เป็นบุญทำบุญกับคารวะญาติโยมก็เป็นบุญเพราะเป็นการให้การให้นี้ภาษาพระท่านเรียกว่าทานทานแปลว่าการให้ให้แล้วก็จะเป็นบุญบุญก็คือความสุขใจไม่จำเป็นว่าจะต้องให้พระถึงจะเป็นบุญ ดังที่มีความเข้าใจกันว่าถ้าให้คารวะก็เป็นทานถ้าให้พระก็เป็นบุญความจริงให้พระก็เป็นทานให้ให้คารวะก็เป็นทานแล้วก็เป็นบุญทั้งคู่เป็นบุญทั้งการให้คารวะและเป็นบุญทั้งการให้พระหรือแม้แต่จะให้เตระาฉาน เป็นให้สุนัขให้แมวก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะบุญคือความสุขใจเวลาที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขใจอย่างวันนี้ยากโยมได้นำความสุข <c oughs> ในรูปแบบของอาหารขาวหวานเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาให้แก่พระภิกษุ สมเนยียงาโยมพอได้ให้แล้วญาตโยมก็จะมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความภูมิใจนี่เรียกว่าบุญและความสุขใจความสบายใจความอิ่มใจนี้ <c oughs> ก็ใจอยู่กับใจไปเรื่อ ย, เ, อยเวลาที่คิดถึงบุญที่เราได้ทำใจก็จะมีความสุขขึ้นมา นี่คือเรื่องของใจเราอย่าเสียดายกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะเขาไม่ใช่เป็นสมบัติของใจเขาเป็นสมบัติของร่างกายเมื่อร่างกายหมดสภาพไปสมบัติเหล่านั้นก็หมดสภาพไปไม่ได้เป็นของร่างกายต่อไปอย่าเป็นแบบเศรษฐี ที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้ฟังในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งมีความร่ำรวยมีเงินทองมากมายแต่เป็นคนตระหนี่มีความขี้เหนียวและไม่ชอบทำบุญชอบแต่หาเงินแล้วก็ไม่สนใจว่าจะหามาได้ด้วยวิธีใด จะหามาได้ด้วยวิธีสุดจริตก็หามาหาวิธีด้วยทุจริตก็หามาคือไม่สนใจขอให้ได้เงินมาก็แล้กันแล้วเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ยอมให้ผู้อื่นตนเองก็ไม่ยอมใช้เอาไปฝังดินหมดเอาไปกรบฝังดินไม่บอกผู้อื่นให้รู้ว่าเงินทองของตนนั้นเจ็บไว้ที่ไหน กลัวผู้อื่นจะมาขโมยไปพอตายไปใจยังรักยังหวงเงินทองที่ฝังไว้ในดินอยู่ก็ไม่ยอมไปเกิดที่ไม่ไปเกิดที่ใหม่อยากจะเกิดอยู่ใกล้ๆกับเงินทองของตนพอดีสุนัขที่บ้านตั้งท้องขึ้นมาก็เลยไปเกิดในท้องของสุนัขแล้วก็คลอดออกมา เป็นสุนัขในบ้านของตนเองพวกลูกๆ ก, ก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่อของตนมีอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงบินทบาทผ่านมาทรงเสด็จผ่านมาเห็นสุนัขตัวนี้ก็ทรงทราบด้วยญาณด้วยธรรมจักษุคือตาในของพระพุทธเจ้าสามารถเห็นใจของชายคนนี้ว่าอยู่ในท้อง อยู่ในร่างกายของสุนัขเพราะไม่ได้ทำบุญไว้นั่นเองทำแต่บาปเมื่อถึงเวลาที่จะไปเกิดใหม่บาปก็เลยส่งให้ไปเกิดในท้องของสุนัขแทนที่จะไปเกิดในท้องของมนุษย์ก็กลับไปเกิดในท้องของสุนัขเข้าแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกลูกๆได้เพราะสุนัขพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ ว่าตนเองนั้นเป็นพ่อของลูกๆมีพระพุทธเจ้าที่มีมีตาในที่สามารถมองเห็นใจของชายคนนี้ว่าตอนนี้อยู่ในร่างของมนุษย์ในร่างของสุนัข ก, ก็เลยบอกลูกๆว่าสุนัขตัวนี้เป็นบิดาของพวกเธอนะเขาตายไปแล้วแล้วเขาห่วงสมบัติ เขาก็เลยกลับมาเกิดเป็นสุนัขเพราะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ชอบทำบุญเขาชอบทำบาปตายไปเขาอยากจะกลับมาอยู่ใกล้ๆกับสมบัติของเขาเขาก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขพระพุทธเจ้าก็ท ร, รงบอกว่าเลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ดีนะแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปขุดสมบัติให้ ไม่นานสุนทรตัวนี้ก็พาลูกๆไปขุดสมบัติที่ตนเองได้ฝังไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ <c oughs> ลูกๆจึงเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเ <c oughs> ชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำบุญอยู่อย่างสม่ำเสมอเงิ น, งนทองที่มีมากเกินความจำเป็นก็แบ่งปันให้แต่ผู้อื่นไป นี่คือความจริงที่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์ได้นอกจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปใจของเราจะมีแสงสว่างแห่งธรรมจะทำให้เราเห็นใจของเราจะทำให้เราเห็นเหตุที่ทำให้ใจของเรามาเกิดและเห็นเหตุที่จะพาใจของเราให้ไปเกิดใหม่ ก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจนี้เองถ้าทำดีเราก็จะไปเกิดในที่ดีต่อไปถ้าทำไม่ดีทาบาปเราก็จะไปเกิดในอบายต่อไปดังนั้นชีวิตของเรานีจึงมีหน้าที่อยู่สามประการด้วยกันตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำคือหนึ่งให้เราทำ บุญทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. ให้ละบาปทั้งปวงแลสาให้ทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ปราสจากความโลกความโกรธความหลงเพราะความโลกความโกรธความหลงนี้เป็นเหตุที่จะสั่งให้เราทำบาปทำบุญเมื่อเรามีทำบาปทำบุญ เราก็จะต้องไปเกิดใหม่ตราบใดที่เรายังไม่ได้ชำระใจของเราให้สะอาดไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลง อ, อยู่ในใจตราบนั้นเราก็ยังต้องไปเกิดใหม่อีกแต่ถ้าเราทาบุญเราไม่ทาบาปเราก็จะได้ไปเกิดในสุขติแต่ถ้าเราไม่ทาบุญทาแต่บาปเราก็จะไปเกิดในอบาย แต่ถ้าเราสามารถไม่ไ ม, ไม่มีกิเลสคือทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกการไม่ไปเกิดใหม่นี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าการไปเกิดในสุขคติเพราะถึงแม้จะไปเกิดในสุขคติ ที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์แต่มันก็ไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แต่ถ้าได้ชำระใจให้สะอาดโดยสุดแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ เมื่อไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ใจของผู้ที่สอาด บ, บรสุทธิ์เช่นของพ่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี้ท่านไม่กลับมาเกิดใหม่แล้วท่านอยู่ที่พระนิพพานใจไม่ต้องมีพพมีชาติไม่ต้องทุกกับการแก่การเจ็บการตายต่อไปมีแต่ความสุขที่ถาวรไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุด <c oughs> ในเบื้องต้นเราก็ต้องทาบุญก่อนทาบุญให้มากแล้วก็ละบาปถ้าเราทำบุญได้มากเท่าไหร่เราก็จะทำบาปน้อยลงไปเท่านั้นเพราะเวลาเราทำบุญแล้วใจของเรามีความสุขเมื่อใจของเรามีความสุขแล้วเราก็จะไม่อยากได้สิ่งต่างๆเกินความจำเป็น เราจะหาสิ่งที่จำเป็นมาด้วยความสุจริตคือเราจะไม่อยากเราจะไม่ทำบาปเพราะเรารู้ว่าเวลาทำบาปแล้วทำให้ใจของเราไม่สบายทำให้เรามีความทุกข์เราก็จะทำบุญมากขึ้นไปเรื่อยๆบาปก็จะทำน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเราเห็นว่าเรามีความสุขจากการทำบุญ และจากการไม่ทำบาปเราก็อยากจะให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราก็จะเห็นว่าความสุขจะมีมากยิ่งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงเพราะความเวลาที่เรามีความโลภใจของเราจะไม่สบายใจของเราจะกังวลกวาดาศักดิ์สายเพราะอยากจะได้แล้วกลัวไม่ได้นั่นเอง เวลาที่เราอยากจะได้อะไรแล้วเราไม่ได้นี้เราจะกระวนกระวายเช่นเวลาวันออกลอตเตอรี่เราไปซื้อลอตเตอรี่มาเราจะนั่งกังวนกระวายกระสับกระสายรอดูผลที่จะออกมาว่าตรงกับที่เราซื้อไวหรือไม่เราจะไม่มีความสุขใจ แต่ถ้าเราไม่ซื้อลอตเตอรี่เราจะไม่เดือดร้อนจะไม่ ก, กังวลกังวลไม่กระสับกระสา่ายเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่วุ่นวายใจเพราะเราไม่ได้โลภอยากจะถูกลอตเตอรี่นั่นเอง mm hmm. เมื่อเราเห็นแล้วว่าถ้าเราอยากจะมีความสุข <c oughs> มากกว่าการทำบุญมากกว่าการไม่ทำบาปเราก็ต้องชำระ ความโลภความโกรธความหลงเราก็ต้องทาใจให้สงบเพราะการทาชาระความโลภความโกรธความหลงนี้ต้องมีความสงบเป็นจุดเริ่มต้นเวลาที่เราทำจิตให้สงบจะเป็นการสวดมนต์ก็ดีเป็นการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ดีหรือดูลมหายใจเข้าออกไปก็ดี <c oughs> พอใจของเราสงบแล้วความโลภความโกรธความหลงก็จะระ ง, งับหยุดทางานไปชั่วคราวขณะที่จิตสงบนี้ก็เหมือนกับที่รถยนต์จอดนิ่งอยู่เวลารถยนต์จอดนิ่งอยู่คนขับก็ไม่สามารถที่จะขับรถไปไหนมาไหนได้ก็จะไม่ต้องไปเสี่ยงกับภัยอันตรายต่างๆ ถ้าเวลารถวิ่งอยู่นี้โอกาสที่จะไปประสบกับภัยต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นได้อาจจะไปชนกับคันนั้นชนกับคันนี้ชนคนนั้นชนคนนี้หรือแหกโคง้งตกเหวไปแต่ถ้ารถจอดนิ่งอยู่ก็จะไม่มีปัญหาไม่มีภัยเกิดขึ้นใจก็เช่นเดียวกันถ้าสงบแล้ว ความโลภความโกรธความหลงก็ทำงานไม่ได้ก็จะไม่มีความกวนกวายกระสับกระสายความวุ่นวายใจเกิดขึ้นมาแต่ความสงบที่เกิดจากการทำสมาธินี้ก็สงบได้ชั่วคราวไม่นานพอกําลังของสมาธิที่ทำจิตให้สงบนี้หมดไปจิตก็เริ่ม ถอนออกจากสมาธิแล้วก็เริ่มคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเห็นเรื่องนั้นเห็นเห็นเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนั้นได้ยินเรื่องนี้ก็จะเกิดอาการโลภโกรธหลงขึ้นมาอีกเวลาเห็น <c oughs> สิ่งที่ชอบก็เกิดความโลภเวลาเห็นสิ่งที่เกลียดก็เกิดความโกรธขึ้นมาเพราะมีความหลง เป็นตัวสอนให้รักสอนให้ชังสอนให้รักสอนให้เกลียดถ้ามีปัญญาก็จะไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เกลียดพอปัญญาจะสอนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้ดีเขาไม่ได้ชั่วแต่อย่างใดเราไปหลงว่าเขาดีเขาชั่วเอง เขาเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาตามธรรมชาติของเขาเขาแล้วก็อยู่ไม่นานต่อให้เราว่าดีอย่างไรเราได้เขามาได้ไม่งานเดี๋ยวเขาก็จะต้องเปลี่ยนไปหรือเขาจะต้องหมดไป <c oughs> สิ่งที่เราว่าดีก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมา <c oughs> เช่นเวลาเราเห็นคนที่เราชอบ เราอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองของเราเราก็คิดว่าเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาจะให้ความสุขกับเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเราได้เขามาแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเขาเคยทำตัวเป็นคนดีแล้วเขาก็เปลี่ยนไปไม่ทำตัวเป็นคนดีเราก็จะเสียใจเราก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมา นี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มองด้วยปัญญาเราไม่ได้มองด้วยความจริงถ้าเรามองด้วยความจริงแล้วเราจะต้องรู้ว่าไม่มีอะไรดีเสมอไปต้องมีไม่ดีมาด้วยเสมอเพราะเ ป, เป็นเหมือนเหรียญที่มีสองด้านมีหัวมีก้อยคนเราก็เหมือนกันมีดีมีชั่วมาด้วยกันส่วนใหญ่เวลาพบกันใหม่ ก็จะเห็นส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีจะมองไม่เห็นกันแต่พอได้มาอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองกันแล้วก็จะเห็นส่วนที่ไม่ดีปรากฏขึ้นมาจะเห็นส่วนที่ไม่สวยตามมาเวลาที่เวลาที่พบกันใหม่ๆก็จะเห็นแต่ส่วนที่สวยเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันเวลาออกจากบ้านก็จะแต่งหน้าแต่งตาง แ ต, แต่งเนื้อแต่งตัวก็จะเห็นแต่ส่วนที่สวยแต่พออยู่ที่บ้านด้วยกันแล้วทีนี้ก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยเวลาเติบขึ้นมาที่ตาเปียกแฉะผมเเผวไม่ได้หวีเหมือนที่ฟันอย่างนี้เป็นต้นก็จะเห็นส่วนที่ไม่ดีถ้าไม่ใช้ปัญญาก็จะมองไม่เห็นก็จะเกิดความรักเกิดความชอบขึ้นมาได้ ดังนั้นเราจึงต้องดูให้ครบทุกอย่างให้ดูให้เห็นว่าในคนเรานี้มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีเวลาเราโกรธใคร <S <S เกลียดใคร<ม>ก็ให้พยายามมองเห็นส่วนที่ดีของเขาเวลาเราโกรธแฟนเราอย่างนี้ก็ให้คิดถึงส่วนที่ดีของเขาเวลาที่เขาดีกับเราเขารักเราเขารับใช้เรา เขาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราเขาเพียงแต่ไม่ทำตามใจเราเพียงครั้งเดียวเราก็โกรธเขาแล้วเห็นว่าเขาไม่ดีแล้วเราต้องพยายามมองภาพรวมมองให้เห็นว่าเขามีทั้งดีและไม่ดีถ้าเรามองตั้งแต่ก่อนที่เราจะเอาเขามาเป็นคู่ครองของเราเราก็อาจจะเปลี่ยนใจได้เราก็อาจจะคิดว่าอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่ามัน้น อยู่กับเขาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์ทรมานใจไปกับเขาถ้าเขาดีเราก็สุขใจถ้าเขาไม่ดีเขาก็ทุกเราก็จะทุกข์ใจหรือถ้าเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปเราก็จะต้องทุกข์ใจนี่คือการใช้ปัญญาถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความรักไม่มีความชังพราะเราจะเห็นทั้งสองส่วน เวลาเรารักเราก็เห็นเราก็มองในส่วนที่ไม่ดีก็จะทำให้เราไม่รักเวลาเราเห็นส่วนที่เราเกลียดเราก็ให้มองในส่วนที่ดีเราก็จะไม่เกลียดเราก็จะรู้สึกเฉยๆต่อไปเราก็จะรู้ว่าเราไม่ควรจะมีอะไรเพราะไม่ว่าเราจะมีอะไรไม่ว่าจะได้อะไรมาเราจะไม่ได้แต่ความสุขอย่างเดียว เราจะได้ความทุกติดมาด้วยถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกขเราก็อยากมีดีกว่าเราอยู่อย่างสงบทำใจของเราให้สงบแล้วเราจะมีแต่ความสุขถ้าเราไปโลภไปอยากหรือไปโกรธไปเกลียดเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่มีความทุกข์เราจะไม่มีความรักไม่มีความชัง เราจะอยู่อย่างสงบอย่างสบายใจไม่ต้องมาทุกมากังวลกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้เพราะว่าเราฉลาดเรามีปัญญาเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีจริงๆที่ให้ความสุขกับเราอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีมีทั้งสุขและมีทั้งทุกจะเอาอย่างเดียวไม่ได้ จะเอาดีอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเอาดีก็จะได้ไม่สิ่งที่ไม่ดีมาด้วยถ้าจะเอาสุขก็จะได้ความทุกข์มาด้วยถ้ารู้ด้วยปัญญาแล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรจะอยากได้สิ่งที่ดีจริงๆที่มีอยู่ในใจเราก็คือความสงบที่เกิดจากการกาจัดความโลภความโกรธความหลงนี้เองเมื่อเรากาจัดความโลภความโกรธความหลงได้หมดแล้ว เราก็จะอยู่อย่างสุขสบายไปตลอดถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปก็จะไม่มาลบล้างความสุขภายในใจนี้ได้เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้เองใจได้กลายเป็นนิพพานไปแล้วใจได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วนั่นเองนี่แหลคือหน้าที่ของพวกเราคือสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับใจของเรา ด้วยการทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการละบาปทั้งปวงและด้วยการชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ชีวิตของเรามีหน้าที่เพียงเท่านี้อย่าไปเสียเวลากับการสร้างฐานะการเงินการทองอย่าไปเสียเวลากับการสร้างครอบครัวสร้างสามีสร้างภรรยาสร้างลูกสร้างหลาน พราะมันเป็นกองทุกข์มันไม่ใช่เป็นกองสุขดูปู่ย่าตายายของเราเป็นตัวอย่างเขาอยู่อย่างไรเขาอยู่อย่างสุขหรือเขาอยู่อย่างทุกข์เขามีทั้งสุขเขามีทั้งทุกข์ดูพระพุทธเจ้าดูพระอาหารหันต์เป็นตัวอย่างท่านอยู่อย่างไรท่านอยู่อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์เลยจึงขอฝากเรื่องของการมาทําบุญมาละบา มากำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจนี้ให้ท่านได้นำไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติ<ม>เพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้มารำเพ็ิกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเธิ